มาเข้าคอสามวันสรุปได้ไหมสมถะและวิปัสนาต่างกันยังไงจิตจะไม่เหมือนกันนะสมถานะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งวันบายวั น, น one one. <c oughs> เวลารวมนะจิตเข้าไปรวมเขากับอารมณ์นิ่งๆอย่างนั้น <c oughs> ถ้าวิปัสนาณนะจิตเป็นหนึ่งเป็นคนดูอารมณ์เท่าไหร่ก็ได้อารมณ์ทั้งหลายมาแล้วก็ไป ตัวอย่างผ่านมาผ่านไปใจเราเป็นคนดูอยู่ดังนะ้จิตจะไม่เหมือนกันถ้าจิตเป็นแนบสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกอารมณูปนิชฌานเท็นสมถะถ้าจิตตั้งมั่นเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรู ป, ปรธรรมนามาทำทั้งหลายเกิดดับหมุนเวียนเปลีปล่ยนแปลงไปด้วยจิตเป็นแค่คนดูอยูนะ่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนั่นแะนะเดินปัญญาเดินะมิปสนา แล้วปัญญามันจะค่อยๆแก่รอบเป็นลำดับไปเวลาที่เราเดินมิปัสสนานะั้นไม่ใช่เดินมิปัสสนารวดเดียวไม่มีม้วนเดียวจบนะยกเป็นท่านที่อินทรีย์ท่านแก่กล้าจริงๆมีไม่มากสมัยพุทธกาลนี่มีอย่างพระพาหียะอะไรเงี้ยหรือบางท่านท่านฟังธรรมะทีเดียวก็บรรลุลมีไม่มากเท่าไหร่กระทั่งในสมัยพุทธกาลสมัยเราคงหายากนะจ๊ะ ถ้าบารมีเยอะคงไม่มันั่งตาแป๋วแป๋วอยู่แถวนี้ย <c oughs> ค่อยๆเปลี่ยนไปนะค่อยๆฝึกวันไหนนะทุกวันนะทุกวันถ้าช่วงไหนจิตใจฟุ้งซ่านดูจิตไม่ออกดูกายไปช่วงไหนดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทำสมถะ พุดโทรไปหายใจไปให้จิตสงบสบายอยู่ในอารมณ์เดียวจิตจะได้มีแรงจิตเหมือนคนทำงานถ้าทำงานอย่างเดียวไม่เคยได้พักเลยก็หมดแรงที่พักของจิตก็คือสมถานั่นเองเป็นที่พักสบายสมถะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะเมื่อวานก็สอนแล้วจะใช้สมถะคนไหน ชำ น, นิชำ น, นานพอนะทำลมหายใจอะไรเงี้ยเลยเจริญลมวิหารนะพวกนี้เข้าถึงอัปปนาสมาธิไดนะ้ถ้าอัปปนาสมาธิทำไม่ไหวก็ลดระดับลงมาไม่ต้องโลบมากก็ไม่ต้องสมถะถึงอัปปนาทุกคนออกนะเอาแค่อุปจาระก็พอพนะิจารณาไปนะพิจารณา คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณของพระธรรมคิดถึงคุณของพระสงฆ์คิดถึงทานที่ทําแล้วด้วยดีคิดถึงศีลที่ทําแล้วด้วยดีคิดถึงความสงบบางเวลาจิตใจเราก็สงบคิดถึงความสงบความสงบเป็นสิ่งที่เราเคยทํามาหรือคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายร่างกายประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกคิดเอานะ คิดถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนเลยยกเว้นเรื่องลมหายใจนะเรื่องลมหายใจถ้าคิดถึงตึกอยู่ในตัวลมเนี่ยก็ได้ความสงบแต่ว่าดูไปเรื่อยจนลมมันกลายเป็นแสงสว่างเป็นดวงนิมิตขึ้มนมาอันนั้นจะเข้าอัปปนาถ้าอย่างพวกเรารู้ลมหายใจยังไม่ถึงอัปปนานะแค่รู้สึกรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจไปเรืได้สมาธิต้นๆพออาศัยนะ หรือไหว้พระสวดมนต์ก็ได้นะสวดมนต์ไปเรื่อยๆพุโทโธไปอะไรไ ป, ไ ป, ไไปใจก็ถึงความสงบสงบไม่ลึกไม่ถึงอัปนาแต่พาสงบพอได้พักผ่อนพอพักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วมาเจริญปัญญาต่อมาดูกายทำงานมาดูใจทำงานต่อเห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นไตรลักษณ์ของใจไปเรื่อยวันไหนดูจิตได้ดูจิตไปนะเวลาไหนดูจิตไม่ออกกาดูกาย เวลาไหนดูจิตก็ไม่ออกดูกายก็ไม่ออกทําความสงบนี่หมุนอยู่อย่างนี้เลยหมุนเวียนไปได้รักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานไวน้นี่สรุปให้ฟังแล้วนะมาอุตสาห์มาเรียนวันสุดท้ายแล้วถัดจากนั้นพอเราสะสมทุกวันนะจิตใจเราสงบตั้งมั่นแล้วก็ดูกายทํางานดูใจทํางานไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งนะมันจะเริ่มรู้สึกแปลกๆขึ้นมาเริ่มเห็นความจริงแนละ้วว่าเราไม่มีหรอก แต่ตออ้องยางละความเห็นผิดไม่ได้ยังอยากให้มีอยู่เนะีย่ยคิดว่ามันมีอยู่แต่ว่าพอดูไปแล้วมันเริ่มหายหายไปร่างกายก็ชักจะไม่ใช่ตัวเราแล้วจิตใจก็ชักจะไม่ใช่ตัวเราแล้วนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงได้ว่อจิตมันเกิดดับมันไม่ใช่มีอันเดียวตลอดกาลบางคนเห็นมาถึงตรงนี้นะใจว้าเหว้ขึ้นมาเลยรู้สึกเวิ้งว้างบางคนรู้สึกเบือ่อบางคนรู้สึกน่ากลัวว่าตัวเราหายไป เนี่ยเรารักในอัตตาตัวตนอย่างรุนแรงมากพอภาวนามาเห็นนะขันห้าไม่ใช่เราขึ้นมานะเริ่มเห็นเบื้องต้นนะยังไม่ถึงโสดาเริ่มเห็นเบื้องต้นแล้วไม่ใช่เราหรอกใจยอมรับไม่ได้นะถ้าใจยอมรับได้ก็เป็นพระโสดาบันนะใจยังยอมไม่ได้นะใจมันว้าหวิใจมันกลัวใจมันเบื่อบางคนเบื่อหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเบื่อสุขเบื่อทุกเบื่อดีเบื่อชั่วเบื่อทุกสิ่งทุกอย่าง เบื่อไปหมดเพราะว่ามันเริ่มเห็นวนะ่าตัวเราไม่มีแต่เดิมมีตัวเรานะั้นก็เสพ ส, สุขได้มีตัวเราอยู่ก็คิดว่าทำดีแล้วตัวเราจะได้มีความสุขนะทำไปเพราะรักตัวเองขนาดมาภาวนานก็ภาวนานเพราะรักตัวเองแต่พอวันหนึ่งปัญญาเกิดขึ้นมาเห็นว่าตัวเองไม่มีโอ้ยนั่นมันเบื่อจับจิต จ, จับใจเลยไม่รู้จะอยู่ทำไมนะเซ็งเซ็งมากๆเลย เซ็งมากๆนีความเบือ่อความเซ็งในครอบงําจิตถ้าสติปัญญาไม่พอนะครอบงําจิตความเบือ่อบางคนไปฆ่าตัวตายที่เรียนกับหลวงพ่อยังไม่มีนะแต่สมัยพุทธกาลมีมีพระ500องคนะ์ท่านไปเรียนกรรมฐานพระเจ้าท่านสอนอสุภากรรมฐานให้ก่อนทีแรกอันนี้ไม่ใช่เดินวิปัสสนานะ อันนี้ท่านทําสมถะแต่ใช้อสุภะแล้วใจท่านเบื่อความเบื่อครอบงําจิตนี่ท่านไปฆ่าตัวตายฆนะ่าตัวตายไปทั้งห้าร้อยองค์เ่ยแขกมันชอบคําว่าห้าร้อยคนไทยเราใช้อยู่ที่เดียวคำว่าห้าร้อยคือโจรห้าร้อยตอน <c oughs> นั้นไม่มีแต่โจรเราเยอะผู้ ด, ดีห้าร้อยไม่ ม, ไมีพิกสุห้าร้อยไม่มีนิมนต์เก้าองค์สิบองค์อะไรเวลาที่ใจมันเบื่อ ภาวนาไปบางทีเบือ throws, บ่อพระสมถะก็ emotions, ได้เบื่อพระวิปัสสนาก็ได้เบื่อพระสมถะอย่างพิจารณาปฏิคูณอสุภะแล้วมันน่าสะอิดสะเอียนมันเบือ่อเบื่อแบบสอิดสะเอียนเบื่อแบบเจือโทสะนะส่วนเบื่อแบบนิพิทาเดินปัญญาไปแล้วมันเบือ่อเนี่ยมันไม่ใช่เบื่ออันหนึง่งแล้วจะเอาอันหนึ่งนะไม่ใช่เบื่อทุกแล้วจะเอาสุขไม่ใช่เบื่อชั่วแล้วจะเอาดีไม่ใช่มันเห็นชั่วก็ดีก็น่าเบือ่อสุขก็ทุกก็น่าเบื่อเพราะตัวเราไม่มี หเห็นมากเข้ามากเข้าให้รู้ทันให้รู้ทันใจที่เบื่อนะความเบื่อนั้นก็จะหายไปเห็นหรู้ทันจิตตัวเองมันดีตรงนี้แหละไม่ต้องไปฆ่าตัวตายหรอกแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่มีหรอกที่จะไปฆ่าตัวตายในขั้นนี้ไม่มียังไม่เคยเจอมีแต่ในขั้นพิจรารณาปฏิกูลสุภาอนั้นมีในในัในำภีนะรุ่นหลังนี่มีหรือเปล่าไม่รู้แต่เดินวิปัสสนาเนี่ยไม่มีมันแค่ครอบงำไมะ ให้รู้ทันรู้ทันข้าไปไม่ใช่ยากอะไรเราเดินมิปั ส, สนาเป็นแล้วไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้ทันเมื่อความเบื่อครอบงําจิตความโงหงโงงเบิกว่างวางังเวงครอบงําจิตนะมันเห็นเลยไม่มีที่พึ่งที่อาศัยหรือบางทีก็เห็นโทษเห็นทุกขนะ์นี่เรียกเกิดอาทินวญยานเห็นโทษเห็นทุกขนะ์เห็นโทษไม่ดีเห็นภัยนะเห็นภัย เนียพยาตูปัจฐานชักจะจำศัพท์ไม่ค่อยถูกนะอาจจะเพี้ยนบ้างนะจะถือนะคนแก่มีสิทธิ์ที่จะหลงลืมไอ้ น, นี่ลืมสมมุติบรญจัติกรมันลืมได้แต่ธรรมะไม่ลืมนะ่ะธรรมะห็น <c oughs> เห็นอยู่ในใจเราเห็นไปนเรื่อยๆไม่มีภาษาแต่ตอนที่จะเป็นภาษาออกมาเนี่ยต้องจำามาบางทีเห็นโทษ เห็นโทษเรียอาทินเอเห็นอะไรมันแบบไร้สาระเรียกอาทินวยญญาณเห็นมันเป็นภัยมันน่ากลัวนะเรียกพยตูปัฏฐานวิญญณที่เห็นมันเป็นความน่าเบื่อชื่อนิพิทายานสภาวะญาณทั้ง3มตัวนี้ในตำรารุ่นหลังนะมาแยกเป็นเหมือนบันไดสามขั้นจริงๆไม่ใช่ในพระไตรปิฎกเนี่ยถือวาญาณสามอันนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันงั้นบางคนเจอนี้บางคนเจอนี้ เป็นอยู่ในระดับเดียวกันมันเกิดจากจิตยอมรับไม่ได้ว่าตัวเราไม่มียอมรับไม่ได้เริ่มเห็นว่าตัวเราไม่มีเพราะทุกอย่างมันเกิดดับอันนี้อยู่ในยานที่สี่นะชื่ออุทยพยัญานนะอย่าตกใจชื่อมันช่างมันจะลืมไปนะไม่ต้องจำนะเอาเป็นว่าเราเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยๆนะถ้าใจมันเบื่อขึ้นมารู้ทันใจมันกลัวขึ้นมารู้ทันใจมันเวืรงว่างวังเวง ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยขึ้นมารู้ทันเข้าไปมันหายหมดอนะอะไรอะไรเกิดขึ้นนะถ้าไปรู้มั น, ม, นมันอยู่ไม่ได้หรอกทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ใจลับพอมันยอมได้นะใจมันก็เป็นกลางขึ้นมาที น, นี้ใจมันจะหาทางทําไงจะพ้นไปจากกองทุกนี้ได้นะเห็นเลยขันห้ามีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะอยากจะไปพ้นก็ไปไม่ได้นะหนีไปท่องเที่ยวไปทัศนาจรนะก็เอาขันห้าไปด้วยไม่หายทุก จะทํายังไงทําไงก็ไม่หายทุกมานั่งภาวนาก็เอาขันห้ามาภาวนาก็ไม่หายทุกหนี้ขันห้าไม่ได้นะไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยเนี่ยใจมันอยากจะไปให้พ้นแต่มันไปไม่ได้พอมันไปไม่ได้จริงๆนะวันหนึงใจมันเริ่มยอมแล้วต้องอยู่กับมันคล้ายๆมีเมียขี้บ่นคล้ายๆนะแค่สมเปิลหลวงพ่อไม่เคยมีนะมีเมียขี้บ่นนะจะหนีไปก็หนีไม่ได้นะหนีไปที่อื่นไปอยู่บ้านอื่นมันก็ตามไปบ่นที่อื่นอีกเนี่ย หนีก็หนีมันไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันอยู่ไปอยู่มาก็เลยเริ่มชินใช่ไหมทำใจชาตินี้ต้องอยู่กับมันตลอดใจเริ่มยอมรับได้อยู่ก็ไอ้ก้อนทุกข์นี่แหละอยู่ก็บไอ้ขันนี่แหละไปไหนก็ต้องเอามันไปตลอดทิ้งมันไปไม่ได้หรอกถึงมันจะร้ายแค่ไหนก็ต้องเอามันไปด้วยพอใจมันริ่มยอมนะก็ค่อยๆดูไปอยู่กับมันก็ค่อยๆสังเกตมันไปเรียนรู้มันไปก็เห็นมันแสดงใจรักเรื่อยไปนะ แสดงไปแสดงไปใจนี่ค่อยๆเชื่องค่อยๆยอมรับความจริงขึน้นมาทุกอย่างอยู่ใต้ไตรลักษณ์นี่จะดิ้นเอาอะไรตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นดิ้นเอาความสุขความสุขก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แล้วจะดิ้นทําไมใจจะเลิกดิ้นนะเพราเริ่มเห็นความจริงแล้วทุกอย่างมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เ ท, ท่าๆกันหมดเลยจะหนีความทุกข์จะหนีทําไมหนีได้หรือความทุกข์ก็เป็นอนัตตานะหนีมันก็หนีไม่ได้ต้องอยู่กับมันในเใจค่อยยอมรับความจริง ใจยอมรับความจริงเพราะมีปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างบังคับไม่ได้พอเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนีใจจะเป็นกลางขึ้นมากลางตัวนี้เป็นกลางเพราะปัญญาชื่อสังขารู้เปกขายานยานตัวนี้เป็นยานสําคัญเป็นวิปัสสนาญาณที่เป็นโลกียะนี่ตัวสุดท้ายแล้วเป็นตัวสุดท้ายเลยถัดจากนเ้นจะขึ้นมรรคญาณผลญาณเลยไม่ใช่เรื่องเดินวิปัสสนาแล การเดินวิปัสสนาเนี่ยเดินอยู่ในช่วงที่เห็นเกิดดับไปจกนกระทั่งวันหนึ่งเป็นกลางตรงจุดที่ใจเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเห็นสุขกับทุกข์เสมอกันเห็นความดีกับความชั่วเสมอกันแต่ทําชั่วไม่ได้นะเพราะกิเลสไม่ครอบ ง, งําจิตทําชั่วไม่ได้สีอัตโนมัติมันมีอยู่นะสมาธิก็มีรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านตามกิเลสไปก็มีแต่ทุกข์ใจค่อยๆรวมเชื่องเข้ามาเชื่องเข้ามา สติสมาธิปัญญานะค่อยเชื่องไม่ไม่หนีฟุง้งซ่านไปตรงนี้จะเป็นรอยแยกเป็นทางแยกนะมีทางแยกอยู่สามทางทางที่หนึ่งพอมาตึงตรงนี้แล้วถอยกลับเลยไม่ไปต่อมีไหมเสื่อมได้นะไว้ใจไม่ได้ยานตัวนี้เป็นโลคิยะเป็นปัญญาจริงเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดสุขทุกดีชั่วเกิดระดับเท่าเทียมกันหมดนะแต่ว่ามันเสื่อมได้ วันนึงก็กลับมารักความสุขเกลียดความทุกข์อีกได้เพราะงั้นประมาทไม่ได้ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะพวกนี้พวกๆ ก, กลับมาพ ก, กลับมาก็มาสปีดใหม่ขึ้นมาอีกลงอีกก็มีนะขึ้นขนลงลงอย่างเงี้เยเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมวนวนอย่างนี้ก็มีนะพวกที่2นะพวกเนี้ยเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วก็ใจยอมไม่เอาละปล่อยนะก็จะไปเกิดมรรคผลขึ้นมาพวกที่3เนี่ยพอมาถึงสัสงขารู้เบกขาแล้วนะ เกิดความกรุณาขึ้นมาโอ้ถ้าเราตัวรอดไปนี้เรารอดคนเดียวสงสารสัตว์โลกเพื่อนร่วมทุกข์ตาแป๊แ ป, แป๊นับจานวนตาไม่ท้วนตาแป๊แปลน่าสงสารอยากจะให้เขารู้ด้วยนพวกนี้มุ่งไปพุทธภูมินะแล้วคนไหนที่มุ่งพุทธภูมิในนี้เมื่อก่อนเยอะนะประกาศจะเป็นพุทธภูมิแต่พุทธภูมิแบบแก้หน้าแบบพอนาำไม่รอดเราบอกพุทธภูมิ ควาจริงไม่ใช่บางพวกพุทธภูมิอยากรู้เยอะๆอยากเป็นพุทธเจ้าเพราะมีความรู้เยอะพวกนี้ไปไม่รอดหรอกเพราเจอความทุกข์เข้าทนไม่ได้แต่ถ้ามีจิตที่เป็นกรุณาจริงๆนะมีจิตที่กรุณาสัตว์โลกจริงๆแล้วก็เดินมาถึงสังคารุเบกขาญาณได้ถ้ามาถึงสังคารุเบกขาเนี่ยสุขกับทุกข์ดีกับชั่วเท่ากันเนี่ยนรกกับสวรรค์เท่ากันได้รู้สึกไหมนรกกับสวรรค์มาบรรจบกันตรงจุดนี้เองอเพราะฉะนั้นไม่กลัวเลย ไม่กลัวความทุกความยากความลําบากอะไรไม่กลัวทั้งนั้นเลยใจน่าจะห้าวหารมากใจห้าวห้าวหารไม่ใช่ห้าวห้าแบบกเกเรห้าวหารไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวลําบากมีความกรุณาผลักดันอยู่เบื้องหลังสงสารสัตว์โลกอยากช่วยเหลือเนี่ยถ้าจิตเดินมาถึงจุดนี้นะจริงๆ จ, จิตพร้อมจะบรรลุมรรคผลไปละแต่ไม่เอาถ้าหากไปเจอพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาแลท่านเห็นว่าผ่านได้ท่านก็รับรองให้ วาอีกเมื่อนั้นเมื่อ น, นี้คนนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะแต่ถ้ายังไม่ได้สังขารู้เบกขานะไปเจอพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่รับรองให้เพราะยังทนทุกข์ไม่ได้จริงยังใจโลเลโลเลง่าย น, นั้นแปลกไหมทำไมพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านทํารับบรรลุมาได้เพราะท่านเคยทำํำนึกออกไหมท่านเคยทําทําจนชำนิชนานาญถึงขนาดจะบรลรลุพระอรหันต์วันนั้นก็บรรลุได้แล้วแต่ไม่เอา ท่านเคยทํามาแล้วท่านถึงทําได้พวกเราทําบางคนก็ทํายากบางคนก็ง่ายแล้วแต่ว่าสะสมมาแค่ไหนคนไหนภาวนาแล้วยากเรียนอะไรก็เข้าใจยากก็อย่าท้อทแท้นะอดทนเรียนไปเรื่อยวันนี้ไม่รู้เรื่องวันหน้าก็รู้เรื่องเองอถ้าท้อตั้งแต่เริ่มนะั่นก็ไม่มีทางพทุกไปได้หรอกนะค่อยเรียนไปเรื่อยนะจนกระทั่งใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะเกิดแล้วดับเท่าๆกันนะ ตัวอย่างตกอยู่ใต้ใจรักเท่าๆกันนั้นเราฝึกไปจนจิตเราเป็นถึงขนาดนั้นจิตถึงขนาดนั้นแล้วก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วจะไปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหรือจะไปเป็นพระอริยนะหรือจะกลับมาครุกอยู่กับโลกก็ตามใจเถอนะห้ามมันไม่ได้หรอกนะพอไหวไหมไม่ใช่เรื่องยากยากสําหรับคนที่ไม่ยอมทำเท่านะั้นลำฟืงลำพันอยากได้มรรคผล ไปทำบุญปิดทองลูกนิมิตสาธุขอให้ได้มรรคผลลูกนิมิตเกี่ยวอะไรกับมรรคผลเฮ้ไปยกช่อฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะขอให้มีปราสาทสวยงามมา จ, จะได้นะขอมรรคผลทุกคนละเรื่องกันอยากได้มรรคได้ผลก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปเรียนรู้เรื่องศีลเรียนรู้จิตตนเองเรียนรู้วิธีเจริญปัญญาไปแล้วก็ลงมือปฏิบัตริรักษาศีลฝึกจิตเจริญปัญญา ทุกวันทุกวันทำไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยก็เข้าไปสู่มรรคผลนิพพานจนได้ขออย่างเดียวไม่ได้ชาวพุทธไม่ใช่ขี้ขอหลังๆนี้เออเริ่มเห็นมีโฆษณาขายชูชกเห็นไหมหลายแห่งเลยโฆษณาขายชูชกก็ขอเก่งไม่ใช่ชาวพุทธหรอกชาวพุทธไม่ขอนะชาพุทธสู้ตายตามเอาเองใครทําใครได้ซู่อ๋ พระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ช่วยตัวเองในศาสนาอื่นเขายังรู้เลยเอ้าต่อไปส่งกันบ้านนมัสการกับหลวงพ่อก็ไม่อยู่หลวงพ่อก็ดูกายทํางานดูใจทํางานใช้ได้ใช้ได้ไหมคะอือได้ไม่ได้ต้องรู้ด้วยตนเองเห็นกิเลสไหมล่ะเห็นกิเลสไหมเห็นค่ะเออเห็นกิเลสแล้วเป็นกลางกายกิเลสไหมก็บางครั้งก็กลางบางครั้งก็ไม่กลางค่ะ ถ้าถ้าไม่กลางทําไงถ้ากลางทําไงก็พอรู้ว่าไม่เป็นกลางาาทำไงก็แค่รู้ว่าไม่ไม่เป็นกลางาค่ะตามได้แล้วจะมาถามอะไร อ, าอา่ะผ่านกลาบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะเมื่อวานที่อยู่วัดนะคะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตหลายหลายช่วงคะ่ะตอนเที่ยงที่จะนั่งสมาธิในศาลาห้องอาหารนะคะ แมงบีมาตอมก็ลำคาญพอลำคาญเสร็จก็ไปเดินจงกรมเดินแล้วจิตสบายมากนะคะพอเข้าไปในกุฏิช่วงบ่ายมีฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าผ่านะคะตกใจแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ตื่นตระหนกก็เลียนึกถึงพระพุทธเจ้าก็สวดมนต์สรรเสริญบูชาพระพุทธคุณนะคะมีอยู่ตอนหนึ่งที่บอกว่าเป็นกำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายญิงนะคะ น้ำตามันก็เอ่อออกมาแต่ปกติรู้ตัวก็ยังยังไม่ไม่ไหลนะคะก็หายอแต่พอมาสวดเมื่อเช้าหลังจากทําวัดเช้าถึงท่อนอะไรเดียวกันนะคะไม่ไม่ได้มีปรากฏอย่างนี้เกิดขึ้นค่ะหลวงพ่อแล้วตอนที่หลวงพ่อเดินมาช่วงนี้นะคะพอเห็นหลวงพ่อใจเต้นมากทั้งทั้งที่เมื่อวานก็ได้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะแต่พอหลวงพ่อยิมก็จิตก็เบิกบานนะคะหลวงพ่อ วันนี้จะกราบลาท่านก็ขออนุญาตรายงานผลภาพรวมที่ปฏิบัติมานะคะเพราะว่าก่อนมาสามีก็เตือนว่ามาปฏิบัติที่หลวงพ่อปราโมทที่วัดท่านเนี่ยต้องทำการบ้านส่งการบ้านท่านที่ผ่านมานะคะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในใจมากครัพระอาจารย์คือแต่ก่อนเนี่ยเรื่องบวกเข้ามาในใจเรื่องลบเข้ามาในใจ มันจะอยู่นานเพราะว่าเป็นคนคิดกังวลจ ะ, จ ะ, จะเกาอะอยู่อย่างนั้นอย่าดีไม่ไม่น ม, ม่นานอพอไม่นานเสร็จแม่แม้แต่เรื่องดีๆเช่นเคยมีไรายได้พอมีไรายได้เข้ามาเป็นเงิน ก, ก็ก็รู้สึกไม่ได้ดีใจมากมากเท่าเดิมแล้วก็ในส่วนของในส่วนของออสิ่งที่จะได้เพิ่มขึ้นที่เป็นยศเป็นตําแหน่งเป็นอะไรไม่เฉยๆใช่ไหมแล้วในส่วนที่กลับข้างกันก็คืออยากได้คืออยาก อยากออกจากงานนะครับอยากลาออกจากงา น, นะคะ่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีความสงบในในสิ่งที่เราไม่ชอบมากขึ้น ท, ท, ทั้งทที่คนใกล้ๆเนี่ยบางทีพูดไม่ถูกหูแต่แต่ก็นิ่งๆได้ะคะ่ะดีพอนิ่งได้แล้วก็การที่เรานิ่งอย่างนี้มันเฉยไหเครับหลวงพ่อไม่เฉยเราดีแล้วตอนเนี้จิตกับกายแยกกันดูออกไหม แยกไหมเป็นเป็นบางช่วงค่ะถ้าแยกก็รู้ถ้ารวมก็รู้เนาะจิตกับเวทนาแยกกันได้ไหมจิตกับเป็นบางช่วงค่ะเป็นบางครั้งค่ะเราสังขารปรุงดีปรุงชั่วกับจิตบางทีก็รวมบางทีก็แยกนะหัดดูไปถ้าเมื่อไหร่มันแยกนะแต่ละอย่างที่จิตไปรู้เข้ามันจะไม่มีเรานะดูบ่อยๆไปนะดูตรงเนี้ยนะคุณแตซมเชิญกลับน้ัสกานขับพ่อคุณค่ะ เมื่อวานทําวัดเย็นคะ่ะเห็นสภาวะได้ชัดดีคะ่ะหลวงพ่ อ, อเห็นถึงสมาธิในระหว่างสวดมนต์บางทีก็เห็นผู้รู้กระโดดออกมาดูตัวที่สวดมนต์อยู่บางทีก็เห็นกายเห็นเวทนาก็รู้สึก ด, ด, ดีดีดีะนะดีแล้วล่ะมีแรงขึ้น <laughs> แต่นิดนึงคะ่ะหลวงพ่อที่หลวงพ่อเทศเมื่อวานเรื่องติดสุขอะคะ่ะว่าทโทษของความสุขคือการเผลอเพลิน ตรงนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะเห็นอะไรสวยก็ยังเป็นไรใจไม่ป็น้อนไรอาชีพเราทำไปก่อนเราอาชีพทำของสวยทาไปก่อนไม่ได้ต้องห้ามใช่ไหมคะรู้ทันไงรู้ทันไม่หมอกับเป็นการสะสมต่อไปด้วยหรือเปล่าถ้าเพลินถ้าเพลิดเพลินยินดีไม่รู้ทันก็คือสะสมอนุัยราคานุใสถ้ารู้ทันอยู่ไม่สะสม เป็นแค่ที่อาศัยทําำไปตามหน้าที่เท่านั้นค่ะเมื่อวานตอนที่เดินจงกรมแล้วพอฟ้าลงอ่ะเราเห็นจิตปุ๊บออกไปแล้วก็รีบดึงกลับเข้ามาที่มันดึงคือจริงๆแล้วถ้ารู้เวาควรเป็นกลางแต่หนูไม่เป็นกลางอ่ะห้ามันไม่ได้นะแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงดังขนาดนี้มาก่อนเลยนะน่ากลัวมากเลยหนูอยู่นี่ปล่อยๆดังแทบทัวอ่นแถวนี้มันอยู่ติดภูเขา ไม่รู้มันมีแร่ธาตุอะไรก็คือดีไม่ร้องวีดออกมานะะแต่เห็นใจเขาปุ๊บออกไปเลยอะตกใจมากเลยอย่าร้องนะ่าอายเขาใช่ค่ะ <c oughs> ในใจก็คิดในใจดีนะไม่ร้องออมาอายเขา <c oughs> แล้วก็ตอนนี้หนูรู้สึกเห็นกายกับใจเขาแยกๆ ก, กันเออนะแต่อันนี้แยกแล้วมีประคองหน่อยนะึงค่ะมี <c oughs> ม, มีมีประคองแต่ที่ว่าประคองเนี่ยเนี่ยคือหนูจับทิกได้ว่าไม่รู้ถึงความเป็นกลางของมันเอ <c oughs> แต่มันก็ไม่รู้นะคะเหมือนทฤษฎีนี้ได้นะก็ให้รู้ไปสิแต่มันก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้หรอกมันพูดง่ายมันทํายากอย่างถ้าพูดง่ายๆนะอย่าไปยึดมั่นสิ่งทั้งปวงบรรู้พระอรหันต์ไหมไม่บรรลุอ่ะเพราะยังยึดอยู่แต่ว่าท่านให้หลักธรรมไว้เป็นแนวทางให้เราฝึกฝนตัวเองแต่มันจะเดินอยู่ในร่องรอยอันนี้เองคือหลังจากเมื่อวานที่เรียนหลวงพ่อว่า มาอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นมันก็เป็นธรรมดามันก็คือจิตมันก็เป็นแบบจิตธรรมดาคือเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรืเ่อยๆในนาทีหนึ่งก็เปลี่ยนหลายอยา่างมีทั้งจิเลสมีทั้งวิบากแล้วก็ตอนที่เดินจงกลมที่ลานวัดก่อนฝนตกวันก่อนมีแมงวีมาช่วยสอนธรรมะนิดหน่อยก็คือพอจิตมีความสุขพอเราหยุดปุ๊บจิตมีความสุขแมงวีบินมาทันดวงตาเมื่อเกิดความกลัวพอเกิดความกลัวเสร็จพอเห็นความกลัวเสร็จปุ๊บมันก็เกิดโทสะ เพราะว่าแมงวีมาทําลายความสุขของเราออืครับก็เห็นอย่างงี้ครับแล้วทีนี้จะเรียนถามหลวงพ่อนิด น, นึงก็คือว่าตอนที่เวลาเดินจงกรมมีทั้งเดินและหยุดเนี่ยตอนที่หยุดเนี่ยมันจะเห็นเห็นการหยุดอแล้วก็รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวดับไปใช่อันนี้ผมไม่พอออกพอพ อ, พอเลิกเดินจงกรมแล้วมานั่งคิดว่าอันนี้มันอยู่ในสติปัฏฐานไหนนี่ผมไม่แน่ใจจริงอยู่สิเคลื่อนไปเคลื่อไปเคลื่อนไหวไปก็รู้สึกหยุดอยู่ก็รู้สึกอยู่ในสัมปชัญญะอ๋อครับครับ ไม่ใช่อิริยาบถบั พ, พะอยู่ในสัมปชัญญะบ พ, พะใช่ครับตอนแรกผมก็สับสนอยู่สองอะผมไม่แน่ใจว่าใช่อิริยาบถหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าใช่ครับชํานาญอิริยาบถนะสุดท้ายมันก็ควบสัมปชัญญะเข้าไปเอาต่อไปใครใครใครจะคุยชเชิญอาแม่ชีว่าไปเออมื่อวานสงสัยที่หลวงพ่อบอกกันบ้านนะคะยังทําไม่ถูกเจ้าค่ะือคืออยากขอเรียนก็ หลวงพ่อบอก<ห>ว่าอะไรล่ะหลวงพ่อลืมที่ว่าติดสมถะ น, นะคะคือแล้วอีกอย่างใช้เกตดูวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยจิตต่างกันไหมมันเมื่อวานก็เดินจงกรมว่าแบบกายมันหนักๆนะคะกายหนักๆแล้วก็แล้วเมื่อคืนนี่ก็เดินที่ ท, ที่ที่วัดนะคะมันเครียดค่วพ่อแล้วเส็จแล้วก็มันสงสัยตัวเองว่าที่การกระทําที่แล้วมาคือไปทําหลังจากที่ สมาธิเสื่อมแล้วะะก็ไปเข้าทำวิปั ส, สนา ท, ที่แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปกําหนดกําหนดแบบออรูปน้ำแล<ม>้วค่ะแยกรูปแยกน้ําแล้วก็ก็มีทางกายก็เคลื่อนไหวแบบรูปก่อนกําหนดก่อนถึงจะก้าวถึงจะไหวนะคะ<ม>แล้วก็ทางทางจิตก็แยกรูปแยกน้าหมายถึงว่าทางทวานทั้งทั้งหมดนะคะ<ม><ม>เป็นน้าหมด แล้วดิฉันก็กําหนดอย่างนั้นกันหลวงพ่อก็ทําไปเรื่อยๆตัวนั้นจริงๆก็ไม่ผิดนะผิดนิดเดียวไม่เห็นโลภะคือมนเครียดมันเครียดจนว่าบางทีมันเครียดหัวเครียดท้องนะคะบางทีก็เหนื่อยแล้วเสร็จแล้วมันทนไม่ไหวก็ออกมาสักทีนึงก็ทําอยู่หลายปีนะคะทีนี้เสร็จแล้วมันนึกว่าที่สภพาไว้เป็นอย่างนี้มันเป็นการที่ว่าท่านอาจารย์บอกว่าให้กําหนดจนไม่ให้มีอะไรโผล่เลยนะคะรูปนามเนี่ย คือกำหนดแต่รูปน้ําให้เห็นโลภน้ําอย่างเดียวนี่ดิฉันก็ว่าที่มันเป็นหอย่างนี้กดกิตซะจนว่าสัญญาณมันไมไ่อยากมาทํางานแล้วใช่ไหมคะใช่ตัวเนี้ยที่กดไปเรื่อยๆมันจะไปอสัญญาสัตตาแล้วทํำยังไงถึงจะไม่มีสัญญาอสาัญญาสัตตาลมลุกฟักเนี่ยเส้นทางไปสู่ลมลุกฟักเนี่ยแล้วทํำยังไงถึงมันจะออกแล้วเจ้าคะรู้ทันตั้งแต่โลภก่อน<ะ>เบื้องหลังการกําหนดนะ่ะคือโลภะนะโลภะเหรอคะอ๋อ ถ้ารู้ทันได้แต่กิเลสก็ไม่มีการจะทํากรรมส่วนไอ้ตัวที่ติดนิ่งติดทื่อเนี่ยเป็นวิบากแล้วแล้วทำยังไงถึงจะคลายเจ้าว่าถ้าไม่เป็นโลบนะมันก็ไม่กําหนดพอไม่กําหนดได้ที่เพ่งไว้มันก็ค่อยๆคลายส่วนมากมันคอยจะอยากทําแบบให้เรื่องมันหลุดบอกมาสารภาพมาแล้วอยากถึงบอกไงว่าไปรู้ทันตัวนี้ เมื่อก่อนเนี่ยยากมากเลยเจ้าหลวงพ่อยากจนอยากจนว่ามันมันทุกขอ่ะมันทุกอีกไม่รู้กี่เท่าเลยเจ้าค่ะขนาดมันทุกอยู่แล้วเนี่ยความอยากเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ค่ะแล้วก็อยากอยากพ้นทุกข์นะกลับไปเพิ่มความอยากขึ้นอีกมันก็ทุกข์สิพอทุกข์มากมเนี่ยนะจิตทนไม่ไหวคร่างกายทนไม่ไหวจิตทนไม่ไหวมันดับสัญญาลงเพราะฉั้นตรงที่เข้าไปเป็นพรหมลูกฟักเข้าไปอย่างนี้แหละ ขอความกรุณาหลวงพ่อว่าอุตส่าห์แล้วนะบอกให้ไปรู้ทันให้โลภะไวงพ่อส่สมสารมึงคนเดียวเจ้าค่ะไปรู้ทันโลภะนะรู้ทันแล้วให้รู้ทันใช่ไหมคะแล้วเราต้องภาวนาอะไรทําอะไรก็ทําไปแต่คอยรู้ทันกิเลสไปรู้ทันเท่านั้นใช่ไหมคะใช่เห็นไหมโดยภาษาเหมือนกันเห็นไหมมีแยกรูปนามแต่แยกด้วยวิธีแยกรูปนามนะค่อยสังเกตไปก็แยกด้วยโลภะไม่เหมือนกัน อ่ะต่อไปเบอร์38 ก, สสการนัสการครับหลังจากที่หลวงพ่อบอกให้ปล่อยผมก็ปล่อยปล่อยไปตามสบายแล้วก็มันก็มีแต่ความสงบมันไม่มีปัญญาแล้วก็มันเป็นศีลบกพ่องแล้วก็ศรัทธารุ่มรุ่มร่อนรนะครับปล่อยก่อนให้จิตคลายตัวออกตอนนี้คลายออกแล้วนะ ค, คลายแล้วต่อไปนี้เรียนรู้แล้ว กิเลสเกิดขึ้นมาครอบงําจิตได้ศีลถึงรุ่มรุมดอนๆครับนะงั้นต่อไปเนี้การรักษาศีลจะไม่ใช่เรื่องยากการรักษาศีลยากนะถ้าเรารักษาเป็นข้อข้อรักษาใจไปนะต่อไปนี้กิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันไปศีลห้าจะมาเองเลยครับนะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยเราก็เห็นอีกเดินปัญญาเลยก็ได้กิเลสจะมาหรือกิเลสจะไปสั่งไม่ได้นะครับ รู้ทันเรียนรู้ลงไปเห็นแต้มันทำงานได้เองการรักกาครับเบอร์แปคนเราก็แปลกนะอยากชูป้ายนะอยากไม่ได้ไม่ได้ชูไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้เรียกกลุ่มใจพอหลวงพ่อเรียกปุ๊บ ก, กลุ่มใจมากกว่าเก่า <laughs> <laughs> อา้าวเบอร์แปดว่าไปการบ้านที่หลวงพ่อให้ไปเมื่อครั้งก่อนนะคะ คือให้หลวงพ่อให้ดูความอยากค่ะเออเจอไหมเจอค่ะเยอะเลยค่ะเยอะเนาะค่ะแล้วเห็นเปล่าว่าถ้าเรารู้ทันความอยากจิตเราเปลี่ยนค่ะรู้สึกเปล่าสบายขึ้นค่ะถ้ารู้ทันความอยากนะความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อ่ะเรารู้ทันนะความอยากครอบงำจิตไม่ได้ก็ไม่ทุกข์สิค่ะนะคอยดูไปเรื่อยๆนะไปดูต่อค่ะหลวงพ่อคะขออนุญาตแม่ส่งการบ้านครั้งแรกค่ะ แม่ไม่เอาอย่ามาบังคับแม่นะอย่าไปเชี่ยวเขียนแม่แม่ล่ะแม่ได้ฟังซีดีไหมหนูว่าตอบแทนฟังค่ะฟังฟังแต่ฟังไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ครั้งที่ออพาแม่ไปฟังครั้งครั้งล่าสุดนี้ไปฟังที่ดอกบัวคู่ะคะ่ะอแล้วเจอดอกบัวคู่ไหม ก็ทำไปอันเบลอเลยข้างหน้าภาวนาไม่ยากอะไรหรอกอย่าไปเขี้ยวเข็นแม่ให้แม่คอยรู้ทันใจของตัวเองไปอย่างตอนเนี้ยแม่เขินแม่เขินก็ให้รู้ว่ากําลังเขินอยู่นะคอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆอย่าไปเขี้ยวเข็นนะเราดีให้แม่ดูนะเราเปลี่ยนแปลงในทางดีให้แม่เห็นนะเดี๋ยวแม่ก็มาภาวนา เบ <63. S 1> อร์หกสสาการส่งกันบ้านค่ะว่ามา เ, เมื่อ5เดือนที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าเริ่มเห็นสภาวะอยู่ห่างๆแล้วหลวงพ่อให้กลับไปดูต่อค่ะว่า เ, เห็นจิตไม่ใช่เราก็พอแล้วกลับไปดูก็เห็นจิตไม่ใช่เราจริงๆเสร็จแล้วหลังจากนั้นดูต่อก็เห็นรถที่วิ่งวนถนนเห็นเป็นรูปก่อนนะคะออแล้วถึงจะเห็นแล้วถึงจ ะ, งจะเห็นจิตจมันแปลง เป็นรถคะ่ะนั่นมันค่อยแปลทีหลังค่ะหลังจากนั้นก็ภาวนาต่อไปอีกมีวันหนึ่งโกรธโกรธแฟนค่ะ แ, แล้วก็ขณะที่ยังโกรธอยู่ก็มีสติเกิดจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาแยกออกมามเห็นไอ้ความเห็นไอ้ตัวที่โกรธแล้วตัวที่โกรธ ก, ก็ค่อยสลายตัวดับไปนนเป็นเฉยๆคะ่ะก็ดูต่อมาอีกอแล้วก็วัน วันหนึ่งขับรถแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วย hmm. ด้วยด้วยใจที่สบายก็เกิดปิติพอเกิดปิติก็รู้สึกพอใจยินดีที่มันเกิดปิติขึ้นมาก็พอเห็นความยินดีพอใจปิติก็ดับพอดับปุ๊บ ก, ก็เห็นเฉยๆแว บ, บนึง่งแล้วถึงจะเห็นความโกรธความโกรธเกิดขึ้นไม่พอใจที่ปิติดับไป hmm. พอเห็นความโกรธตัวนี้ใจเลิกไม่เป็นกลางแล้ว <Yeah. S 2> ก, ก็ดูไป hmm. ก็ดูไปจนมันดับไป hmm. การภาวนาตอนนี้ก็เริ่มเห็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ่อยขึ้นใช่แต่ว่าที่หนูเห็นนะคะคือหนูเหมือนเห็นแวบแรกเนี่ยจะมีเล่าอยู่แวบหนึ่งแล้วถึงจะเห็นเป็นสภาวะเฉยๆพอเห็นเป็นสภาวะแล้วถึงจะดับหนูจะเห็นแบบนี้ไม่ทราบว่าถูกวะคะถูกแล้วนะเพราะมันยังมีอยู่ก็เห็นไปดีทำดีละดูไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะเบอร์ห้าสิบห้า กับมาสมารค่ะหนูมีสภาวะธรรมที่อยากจะถามหลวงพ่อนิดนึนงเหมือนลักษณะเหมือนผีอำปะคะที่ร่างกายมันยังไม่ตื่นแต่ว่าจิตเขาเริ่มเริ่มรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อช่วงสงการทีนี้ตอนแรกเนี่ยที่รู้สึกก็พยายามมองร่างกายที่มันยังนอนหลับอยู่แล้วก็บังคับตัวเองไม่ได้ <c oughs> แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจิตตอนนั้นคือ ตื่นรู้สึกตัวแล้วจริงๆหรือว่ายังก็ดูเป็นสีนะบางทีเราเห็นร่างกายนอนหลับอยู่นะคือร่างกายมันยังไม่ตื่นหรอกแต่จิตมันตื่นก่อนร่างกายนี่เป็นเรื่องปกติยิ่งเราพอนาชํานาญสติเราเร็วนะนะร่างกายยังนอนอยู่เลยใจตื่นขึ้นมานี่เรื่องธรรมดาแล้วบางทีพอจิตมันตื่นร่างกายมันไม่ตื่นสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้นะเราเลยไปโทษว่าผีอำรู้สึกหนักๆไหม กายมันหนักนะกายมันทุกข์อยู่ในตัวของมันเองแต่ที่ผ่านมาเราไปแบกไว้ชินเราไม่รู้หรอกเพราะว่าช่วงอย่าโทษผีนะผีไม่ชอบนะเพราะตอนที่ที่รู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลักษณะว่ากลัวเหมือนมีผีมาอามาหรืออะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเฮ้มันร่างกายมันบังคับไม่ได้ไม่บังคับไม่ได้นะอย่างนั้นแหละหนูเห็นถูกแล้วคก็รู้สึกว่าเห็นในมุมของอนัตตาเนได้ชัดเจนขึ้นดีค่ะ ดูไปเล่ยในมุมของไตรลักษณ์นะมุมใดมุมหนึ่งก็ได้บางคนเข้าใจผิดนะบอกว่าจะเป็นโซดาต้องไปดูอนิจจังอะไรเงี้ยจะเป็นพรนาคาต้องดูทุกขังเป็นพระอาหันตดูอนัตตาไม่จริงหรอกเข้ามุมใดมุมหนึ่งก็ได้แล้วแต่จริตไม่เหมือนกันขอบพระคุณค่ะ121บนการนมัสการหลวงพ่อครับ อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยครับว่าที่ปรผ่านมานี้ผิดสังเกตหรือเปล่าว่าร่างกายกับจิตเป็นโคนละอันกันยังยังไม่ชัดมากครับแต่รู้สึกว่ร่างกายที่กระดุกกระดิกนี่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าพอเห็นได้บ้างครับนะเห็นไดแบบว่าความสุขความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็พอเห็นได้บ้างครับแต่ส่วนใหญ่เหมือนจะรวมๆกันอยู่เออตอนแรกมันรวมกันนะมันรวมมาจนชินอ่ะแล้วก็ค่อยๆดูค่อยๆแยกไปเรื่อย เห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์บางทีก็แยกบางทีก็รวมร่างกายบางทีก็แยกบางทีก็รวมกิเลสบางทีก็แยกบางทีก็รวมนะโดยอย่างนั้นไม่ต้องไปแยกตลอดนะถ้าจงใจแยกตลอดแล้วใจจะแข็งแข็งทื่อๆแต่เราเริ่มรู้แล้วว่ามันแยกได้ขันแต่ละขันนี่ไม่ใช่อันเดียวกันนะดีแล้วล่ะที่ภาวนาอย่างที่ผมเห็นเหมือนบางทีก็หนักๆแน่ น, นๆอะไรงนี้นี่คือได้ดูไปบางทีมันก็หนักใช่ไหมสั่งมันไม่ได้ จะเป็นบ่อยมากหรื อ, อว่านั่ น, น, นหนักห น, กหนกันั่นเกิดจากจงใจจงใจบังคับตัวเองนะมันจะหนักขึ้นมาถ้าจงใจมากก็หนักมากจงใจน้อยก็หนักน้อยหน่อยไม่จงใจก็ไม่หนักอแต่ว่าไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้เบาแต่ฝึกจนเห็นเลยว่ากระทั่งความหนักในใจเนี่ยเรายังบังคับไม่ได้เลยสิ่งทั้งหลายมีแต่ของที่บังคับไม่ได้นั่นเอง ก็อยากให้หลวงพ่อแนะนําสมถะและวิปัสนาที่เหมาะสมกับตัวผมนะครับเคยทําอะไรมั่งสมถะก็ตัววันนี้ก็ส่วนใหญ่จะสวดมนต์แล้วก็ดูลมหายใจบ้างดีแล้วมีใจเป็นคนดูไหมจะนิ่งๆนะครับส่วนใหญ่นะเวลาทําสมถะนะล้วก็คอยรู้ทันใจไปสว่วนมนต์เราก็รู้ทันใจเช่ในใจหนีไปคิดก็รู้นะรู้ลมหายใจก็รู้ทันใจใจหนีไปคิดก็รู้ใจก็จะค่อยๆสงบไม่สนไม่หนีไป ได้สมถะขึ้นมานะถัดจากนั้นก็เดินวิปัสสนาถนัดดูอะไรล่ะเห็นกายหรือเห็นจิตชัดส่วนใหญ่จะเห็นจิตอะครับเห็นความหลงบ่อยๆโอ้ถ้างั้นก็ดูจิตไปเลยนะถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ก็มาดูกายเท่านั้นเองแหละตอนนี้รู้สึกว่ามันฟุง้งซ่านอันนี้เรียกว่ารู้หรือว่าเรียกว่าลงไปรู้รู้รใช้ได้นะไปฝึกต่อไปยี่สิบกลับในบรัชการหลวงพ่อครับ ตอนนี้ก็ปฏิบัติมาได้สักพักแล้วนะครับหลวงพ่อแล้วก็เวลานั่งสมาธินี่ผมบริกรรมพุโทโธนะครับอืแต่ว่าก็รู้ว่ามีพุโทโธอยู่แต่วันวันแรกที่นั่งวิธีนี้ก็รู้สึกว่านั่งได้ดีฮะ <c oughs> แต่พอมาอีกวันหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากฮะอืมันเหนื่อยมาก่อนหรือหรือว่านั่งแล้วเหนื่อยนั่งแล้วเหนื่อยครับ <c oughs> อย่าไปบังคับมันสินั่งเล่นๆวันแรกก็นั่งแบบไม่ได้คาดหวังนะครับก็นั่งแบบไม่คาดหวังก็มีความสุขมีความสงบ พอเราจําได้นะเราอยากเป็นอีกแล้ไปเค้นจิตจะให้สุขให้สงบมเลหนื่อยนะทำเล่นๆอ่ะทําเล่นๆแล้วสบายแล้วเราต้องตอนตอนดั่งนี้เราต้องรู้มันรู้ว่าพุทธโธมีอยู่ใช่ไหมครับอะไรนะตอนที่นั่งนั่งภาวนาพุทโธเนี่ยแล้วก็รู้ว่ามีพุทธโธอยู่นะเรารู้ทันใจของเรารู้ทันใจนะ เ, นเช่นพุทธโธแล้วใจสบายรู้ว่าใจสบายพุทธโธแล้วใจหนักหนักรู้ว่าใจหนักหนักพุทธโธแล้วใจแอบไปคิดรู้ว่าใจแอบไปคิด พุทโธตัวจริงนะไม่ใช่คําว่าพุทโธอะไรคือตัวพุทโธพุทโธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตเรานั่นแหละนะเมื่อเราต้องพุทโธพุทโธก็เพื่อจะรู้ทันจิตนะก็ปัจจุบันนี้ก็ความคิดก็เยอะขึ้นกิเลสก็เยอะขึ้นครับดีแต่เดิมความคิดก็เยอะกิเลสก็เยอะแต่ไม่เห็นตอนนี้เห็นแล้วแหละเก่งแล้วครับขอบคุณครับคุณพ่ อ, อสังเกตไหมว่าชีวิตมันจะเบาขึ้น สบายขึ้นเงีสบายเยอะเลยถ้าเรารู้ทันกิเลสนะครับกิเลสนั้นมันทรมานเรามากเลยครับร้อยสิบสี่พวกเราภาวนาดีๆนี่เยอะเลยนะแบบขันแย่หมดไปลลเลยเยอะเลยอว่าไปครับกราบนมาสการหลวงพ่อครับอืคือเมื่อตอนนั้นที่จะถามครับถามข้อที่สามที่มอเอเชียตอนนี้ตัดสินใจว่าไม่ถามแล้วครัเพราะว่าเพราะว่าจะถามเรื่องพุทธภูมิที่เกย์อธิฐานไว้อืคือช่วงเวลา ที่ไม่กี่วันนี้มันรู้สึกสับสนมากๆครับว่าเพราะมันเจอหลายๆกระแสเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมีพี่คนหนึ่งครับบอกว่าอของผมมันตัวรู้มันใช้ไม่ได้ฮะมันไม่เป็นกลางอะไรเนี่ยเพราะ <laughs> เพราะว่ารู้แล้วมันไม่ขาดอเงี้ยฮะผมก็เลย พอเวลารู้รู้ทีครับมันจะไม่ดัดดับปุ๊บมันจะม้วนม้วนม้วนแล้วก็หายไปอือย่างเงี้ยฮรผมก็เลยคิดว่าเอ๊เราสงสัยต้องทําสมาธิอะไร <c oughs> เพราะว่าสังเกตว่าเวลาทําสมาธิอย่างเมื่อวานอยู่บนรถเมร์นะโหนอยู่ก็ทําสมาธิจับรู้ไอ้ตัวว่างนะฮะเราเราจะทําให้มันนุ่งว่างเราก็ไปรู้ตัวว่างรู้ตัวว่างรู้ถีทีรู้สภาวะอไปเรื่อยๆะฮะรู้สึกว่าตัวรู้มันเป็นกลางขึ้นนะฮะมันมันรู้ละขาด ะะอย่างนี้ใช้ได้ไหมครัโอเคไหมครัได้สมถะก็ต้องทำนะเป็นที่พักผ่อนพอมีแรงแล้วก็มันก็รู้ตัวแต่ตัวสําคัญที่ยิ่งกว่าความสงบนะคือตัวเป็นกลางนะงั้นอย่างถ้าเราเห็นสภาวะเกิดขึ้นมาแล้วไม่ยอมขาดเนี่ยอยากให้ขาดรู้ว่าอยากไปเลยนะถ้าใจเรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงนะขาดหมดเลยมีหลวงพ่อมีวิธีที่ เวิร์กกว่าไอ้ที่ที่ผมผ่านมาไหมฮะวิธีอะไรนะวิธีที่มันดีกว่าหรือว่าแนะนำวิธีที่ดีกว่าตอนนี้เหรอที่ดีกว่าที่เคยเคยเคยแบบว่าศึกษาดูเอาเองฮะแล้วผมนึกขึ้นที่ที่เล่าถวายให้ฟังนะครับว่าต้องลืมไปแล้วที่หมอเอเชียจำหน้าได้อย่างเดียวจำได้แต่ว่าเป็นพุทธภูมิสรุปสรุปแล้วก็คือว่า จะต้องทำสมถะบ้างใช่ไหมฮะให้อะไรก็ตามนะต้องมีสติไว้ <c oughs> สตินี้เป็นเครื่องรู้สภาวะทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าจะทำสมถะก็ทำแบบมีสติครับ <c oughs> เช่นจะพุโทโธจะหายใจก็พุโทโธด้วยความมีสติ <c oughs> หายใจด้วยความมีสติ <c oughs> จิตห น, นีไปและขาดสติ <c oughs> แล้วรู้ทันแล้วก็สงบเข้ามา <c oughs> <c oughs> อย่าไปประคองไว้เร <c oughs> ย <c oughs> ตัวที่ผม จับดูความจับดูความว่างแล้วก็ดูสภาวะดูดูดรู้ไปเรื่อยๆนี่ก็ใช้ได้ใช่ไหมครับมันถ้าตเบื้องต้นจะได้ครับแต่ถ้าชํานาญขึ้นจะรู้ว่านั่นเป็นความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านคือส่งจิตไปดูจิตยังต้องทํางานอยู่เอส่งจิตไปทํางานไปดูความว่างใช่ไหมไม่ได้พักจริงหรอกเหนื่อยอ๋ใช่แค่เหนื่อยครับ แล้วตัวที่สองผ่านมาไม่กี่วันนี้ครคือเมื่อก่อนนั้นเป็นคนชอบชอบเล่นของเล่นมากๆอของเล่นที่แบบไปดูนู่นทีดูนี่ทีหรือไม่ก็ย้อนถอยหลังไปดูอะไรอย่างเงี้ยคแล้วปักนี้ผมรู้สึกโอ้ ม, มันเป็นเรื่องน่าเบื่อมากๆเลยใช่น่าเบือ่อ <laughs> ไปดูมันทำไมบาะว่ามันมันเป็นภาระนะครับแต่บางทีมันมันบังคับไม่มันเหมือนว่า เด็กเช่นมองมองไปเงี้ยครับเห็นขึ้นมาเป็นแถวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นไหมแถวนี้มีฮะเยอะไหมก็พอควรผมก็เลยว่าอุ๊มันไรสาระมันน่าเบื่อบางทีแบบมองไปตามทางแบบเห็นเข้ามาขอส่วนบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบถ้าเกิดเราไม่รู้เลยยังดีกว่าที่ก็มันรู้ไปแล้วอ่ะอย่าไปใส่ใจก็เลยอุทิศบุญให้ไปรู้ทันกิเลสของเราเองไหม ใจเราฟุ้งซ่านเก่งนะครับใจมันไม่ตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกัตัวแชมันชอบออกนอกให้รู้ทันตัวนี้บ่อยๆแล้วก็ว่างๆคือเรียนดนตรีไทยฮะว่างๆบางทีมันก็เพลงทยอยมาเพลงอะไรสารพัดสารเพมาอันนี้เป็นวิบากกรรมหรือเปล่าครับเป็นวิบากวิบากจากที่เล่นดนตรีให้คนหลงอย่างนั้นเหรอใช่อ๋อพอเราเล่นเนี่ยนะตัวเราเองจากไม่หลงเราก็หลงคนอื่นจากที่เขาไม่หลงก็หลง แต่เวลาอย่างจะสอบหรือว่าออกงานอะไรเนี่ยฮะมันต้องใช้อารมณ์เข้าร่วมนะฮะแล้วจะเป็นเพลงที่มันโอเคเนเราเราจะต้องทํำยังไงฮะหรือว่ารู้ไปเรื่อยๆเราก็ทำหน้าที่ไปอย่าไปรู้เรื่อยนะเล่นไม่ได้หรอกครับเคยเคยรู้ไปเรื่อยๆจิตรวมสีไม่ออกเลยฮนะเออไม่ได้หรอกครับ <laughs> <laughs> มีหน้าที่ก็ทําไปนะแล้วก็รับวิบากไปอ๋อครับจนกว่าวิบากของเราจะหมดใช่ไหมฮะจนกว่าสติสมาธิปัญญาเราจะแก่รอบขึ้นมาครับ คือเราเล่นดนตรีเนี่ยสมัยพุทธกาลมีนะมีนักดนตรีนักแสดงใหญ่เลยชื่อในลูกตาลตาลปุต <Okay. S 2> ตาลปุตตะไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าผมไปเล่นดนตรีเล่นละครแล้วคนถ้ามีความสุขเนะี่ย <Okay. S 2> ผมจะได้ขึ้นสวรรค์พระพุทธเจ้าบอกว่าไปเล่นนะทำกิเลสของตนซึ่งไม่มีนะให้มีที่มี <Okay. S 2> แล้วให้แรงขึ้นไปทำกิเลสของคนอื่นที่ไม่มีนะให้เกิดมี ที่มีแล้วก็แรงขึ้นไม่ใช่ขึ้นสวรรค์หรอกนั้นบุญกุศลทั้งหมดที่กระผมแล้วก็สหธรรมิของกระผมนะฮะได้ทำแล้วขออุทิศถวายแก่ท่านนะครับสาธุนโมทนาจะทำที่มอเอเชียแล้วก็ลืมครับเออครับเอาสามสิบหนึ่งอย่าไปเล่นเลยเสียเวลาเนาะ จริงๆอะถ้าเล่นไปช่วงหนึ่งอย่รู้อะไรสาระมีแต่ทุกข์ทางนั้นเลยรู้สึกยัง ม, มันสบายที่ไหนอยู่ๆก็รู้โน้นรูร้นี่จะนอนนะผีมาคุยแจ้วแจ้าหนูหูจะตายเนาะลำคาณอะมันไม่คุยให้คนอื่นฟังเราฟังออกมันก็มาคุยกับเราสิก<อ>็นั่นแหละคนอื่นมันไม่ได้ยินมันไปคุยทำไมละเอาวาไป นมาส ก, การช่ค่ะหลวงพ่อคือขนาดนี้ใจมันรู้สึกแบบผอเหี่ยวแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงค่ะเพราะว่าเกิดจากสภาพที่เป็นอยู่ของตัวเองเนะ่ยแล้วก็ไปทําในรูปแบบมาเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าจิตมันก็ยังคือตอนนี้จิตจิตมันหมดแรงนะค่ะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิหวังว่าจะหายเนี่ยอย่างไม่หายจิตใจที่ตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรงมีความทุกข์เยอะเนี่ย เพราะใจมันไม่ยอมรับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยูนะ่ถ้ามันยอมรับได้มันไม่ทุกข์หรอกนะปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันก็แค่ปัญหาแต่ถ้าใจยอมรับไม่ได้ใจก็เลยทุกข์ไปด้วยนะลองช่วยมันคิดช่วยมันพิจารณาตอนนี้จะไปเดินสมถะทำวิปัสสนาอะไรละเอียดลึกซึ่งเนี่ยเราไม่มีแรงพอนะเบื้องต้นนะพิจารณาไปเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี้ยของช่วคราวนะถ้าเราไปเกลียดมันไม่ชอบมันนะใจยิ่งเป็นทุกข์ นะสอนใจไปเรื่อยค่อยๆสอนสอนพอใจมันยอมรับได้เบื้องต้นมันมีแรงนะก็มาทําสมถาวิปัสนาต่อนะไม่งั้นมันฝืนไปนะแต่ว่าไม่ได้ทุกคนเดียวน ะ, ค, ะคนอื่นเขาก็ทุกแล้วก็เรามีเพื่อนเยอะใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็คือเบื่อค่ะหลวงพ่อแล้วก็คือไม่อยากจะพูดกับใครแล้วก็ไม่อยากจะเอาไปไหน อ, อยากจะอยู่บ้านเฉยๆออย่ค่อยๆสอนใจไปเรื่อยนะว่าทุกอย่างมันชั่วคราวถ้ามีความจําเป็นต้องออกนอกบ้านมีความจําเป็นต้องออกไปคุยกับคนก็ไป <ฮะ S 2> อย่าหนีอย่าทออถอยนะตัวเ <ฮะ S 2> ราเราไม่ได้มีปัญหาคนเดียวปัญหามันก็ชั่วคราวท่านั้นแหละแปดสห นมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะเคยมาส่งกันบ้านพระอาจารย์เมื่อเดือนกรกฎาคมพระอาจารย์บอกว่าดูเป็นแล้ว hmm? บอกว่าดูเป็นแล้วอ hmm hmm hmm. แล้วพอไปถึงยี่ห้ากันยามันก็เห็นจิตไหลามาคิดอะไรเห็นหมดเลยค่ะเออที uh, แล้วพอพอเห็นมันก็ผมก็ดับมาดูร่างกายร่างหายใจอยู่แต่พอดูไปสักอาทิตย์แล้วมันก็เกิดแน่นอ uh, <laughs> นั่นโลภแล้วอยากดูชัดๆ <laughs> อยากดูตลอด ก็เลยแน่น <g ül üyor> ก็เลยไม่ค่อยดูตอนนี้ก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่เห็นกายชัดอย่างเดียวอ <c> ะ <oughs> อะไรนะเห็นกายชัดนะแล้วไม่เห็นจิตแล้วหรอ <c oughs> จิตมันก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้า ง, ง <c oughs> ไม่ค่อยกล้าดูเพราะกลัวมันแน่นอีกเฮ้ยแน่นเพราะว่าโลกดูกาย <c oughs> จงใจดูกายก็แน่นนะไม่ใช่ดูแต่จิตก า, กายเห็นเองค่ะเอ่อถ้ากายเห็นเองไม่ได้จงใจก็ไม่แน่นดูกายไปเรื่อยๆสังเกตไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูค่ะก็พอเห็นนั่นแหละใจเป็นคนดูเราไม่ไปจ้องตัวจิตนะ ก็คแค่เห็นว่ามันมีกายมีใจทํางานอยู่ต่างหากล้ในล่ะแล้วพอนั่งสมาธินึกว่ามันปวดแล้วจะแยกมันจะลองดูแต่พอนั่งพอมันปวดมันก็หงายหงายแล้วมันก็โก้มโก้มอยู่อย่างนี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนท่าอย่างนี้จะนั่งดูเวทนาเพื่ออะไรเพื่อจะหัดแยกมันเหรออ๋อต้อทนเอาสิจะหัดแยกมันจะหงายหลังมันจะมามั่นหน้าอย่างนี้ยนั่งทิงเก้าอี้เลยนั่งเก้าอี้อย่างนี้ มันหายไปไหนไม่ได้ค่ะและหลานชายเขามาด้วยเขาอยากส่งกันบ้าน<ม>เขาอยากไมหมหรือบังคับเขาม า, าอยากเอยากส่งค่ ะ, อ, ะอยากาส่งมาขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะนมันสการครับหลวงพ่อคือผมเพิ่งได้มีโอกาสกลับมาเริ่มปฏิบัติใหม่ครับแต่รู้สึกว่าจะเป็นสายสมถะครับก็คือเขาให้เดินจงกลมก่อนแล้วก็นั่งสมาธิ ไปเรื่อยๆพอเริ่มใช้เวลานั่งสลับกับเดินนานขึ้นมันก็เขาก็ให้นั่งทนแบบไม่เปลี่ยนท่าจนมันเกิดเวทนาะตอนแรกๆก็ทนไม่ได้แบบนั่งบิดไปบิดมาตอนหลังพอทนได้ก็เห็นเออมันปวดแต่ว่าพอมันทนได้มันก็เหมือนแบบเรานั่งดูปวดออต้องอย่างไรไงอย่างเงี้ยฮะดีทีนี้ก็เลยมาทราบว่าถ้าสมถะจะเป็นการเพ่งก็เลยแล้วถ้าวิปัสสนาเราต้องไม่เพ่งเราจะดูยังไงว่า เรากําลังเรานั่ง <ๆ S 2> อยู่นะนั่งอยู่แล้วปวดเนี่ยถ้าทําสมถะก็อาจจะไปอยู่กับลมหายใจอยู่อะไรลืมความปวดไปเลยก็ได้หรือถ้าจิตมีแรงมากๆนะเพ่งใส่ความปวดเลยเอาให้หายเลยนะแต่ว่าถ้าจะทำํำวิปัสสนาเนี่ยนั่งไปพอปวดเนี่ยค่ดูไปความปวดเนี่ยไม่ใช่ขาความปวดกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละส่วนกันความปวดกับจิตเป็นคนละส่วนกัน นั่งดูจนเห็นเลยว่าความปวดนะเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาไม่ได้ปวดอย่างเดียวตลอดใช่ไหมไม่คงที่หรอกก็เห็นเป็นอย่างนั้นก็คือพอจะมาดูว่าเอ๊ะมันปวดยังไงมันก็ปวดแบบตอนแรกที่ไม่ที่ยังดูไม่ออกมันก็จะรู้สึกเหมือนปวดทรมานไม่ไหวแล้วมันปวดตลอดเวลาพอดูพอเรานิ่งแล้วก็ดูได้ก็จะเห็นว่ามันปวดใจมันตั้งมั่นนะก็ไม่รู้มันปวดอยู่ตรงไหนตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเลยว่ากระทั่งเวทนาก็เกิดดับ เราไม่ได้พาวนาเพื่อเอาชนะเวทนาเราไม่ได้พาวนาเพื่อเอาชนะขันแต่เราพาวนาเพื่อให้เห็นว่าเวทนาหรือขันทั้งหลายนะั้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อย่างเวทนาจะเกิดใช่ไหมเราสั่งไม่ได้ยห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันก็ไม่คงที่ดูออกไหมความปวดนะขึ้นขึน ล, งลงตลอดเลยเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็กลับมาอีกแล้วบางทีก็ปวดมากบางทีก็ปวดน้อยแล้วก็หายไปอีกนะดูนี่มันก็สอนเกิดดับให้เราดูได้ ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันจะเห็นหนะ่อยร่างกายก็ส่วนกลายนะเวทนาก็ส่วนเวทนาจิตก็ส่วนจิตไม่ก็เพิ่มบันไหวนะฝึกอย่างนั้นได้ก็ดีนะเวลาจะตายเกิดเจ็บมากๆนี่ไม่ทุรนทุรายตายอย่างเท่ๆครับแล้วอย่างในชีวิตประจําวันที่บอกให้ดูกลายดูจิตไปแต่ว่าไม่ต้องเพ่งอย่างเงี้ยถ้าเพ่งมันเกิดจากลอไปจ้องเอาไว้ไม่ให้คลาดสายตา เราอย่าแค่อย่าจ้องเอานะแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจคนส่วนใหญ่ชอบหลงคิดเรื่องโ น, น้นเรื่องนี้มีร่างกายแล้วลืมร่างกายมีจิตใจแล้วลืมจิตใจเราอย่าไปลืมมันนะแค่รู้สึกในกายรู้สึกในใจบ่อยๆนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีเชียวละ่ะทําต่อไปเห็นไหมวิธีของหลวงพ่อนะั้นไม่ขัดกับสำนักไหนหรอก ฝึกเวทนาก็ได้แต่ว่าเดินปัญญาให้เป็นเพราะว่าตอนแรกพ่อเอาซีดีมาเปิดพอฟังซีดีหลวงพ่อแล้วเพื่อนพาไปปฏิบัติที่วัดนูนเราก็ได้ยินพระพูดแล้วรู้สึกโอ๊ยโคตรสมถะเลยก็เลยแบบงั้นเวลานั่งสมาธิขอนั่งหลับแล้วกันสมาัยปฏิบัติแล้วอะไรพอมีพระอาจารย์อีกรูปนึงมาก็แบบอ๋อก็มีวิปัสสนาอยู่ด้วยก็เลยลองทําตามดูก็้เห็นดีนะเราไม่พูดอะไรเนาะเรารู้อยู่ในใจ พวกเราบางทีฟังหลวงพ่อนะแล้วก็เที่ยวไปพูดไปว่าอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ไม่ดีนะเขาก็ดีอย่างของเขาหละต่างคนต่างเดินครับกลับเขาพระคุณครับโคตรเลยเหรอครับก็คือแบบอย่างถ้าเดินจงกรมเขาก็แบบต้องฟิกเลยว่ามือต้องอยู่ระดับนี้ให้มันปวดนะอะไรอย่างเงี้ยให้มันไม่เขาจะเขี้ยวเข็นให้เกิดเวทนาใช่ครับแล้วก็จะสอนให้แยกเวทนา การปฏิบัติมีหลายแบบนะทุกขาปฏิปทาก็มีสุขาปฏิปทาก็มีแต่สุขาปฏิปทาไม่ได้แปลว่าตามใจกิเลสนะคนละเรื่องเลยไม่ใช่ไปดูหนังฟังเพลงดูรูปวาดฟังดนตรีคลาสสิกแบบภาวนาอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่สุขา ป, ปฏิปทาอันนั้นไม่ได้เป็นปฏิปทาอะไรเลยะ <laughs>